มาเรียนหน้าเอาความรู้ไปติดตัวไปถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้เราจะเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาอันสั้นจะเป็นเหมือนเป็นคนใหม่มีชีวิตใหม่คนทั่วๆไปเกิดมาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาเกิดมาทําไมมันไม่มีเป้าหมายในชีวิตเกิดมาก็ คนอื่นเรียนหนังสือก็เรียนเขาด้วยคนอื่นแต่งงานก็แต่งไปกับเขาด้วยต่อไปก็แก่ไปเหมือนคนอื่นเจ็บเหมือนคนอื่นตายไปเหมือนคนอื่นอีกชีวิตไม่ได้มีความหมายอยู่แค่นั้นเกิดมาทั้งทีนะเราควรจะมีสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดสิ่งนี้อยู่ในตัวเราเองอยู่ที่ใจเราเนี่เองถ้าเราเข้าถึงสิ่งนี้แล้ว เราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแล้วเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือความดับสนิทแห่งทุกข์ไม่มีทุกข์อีกไม่ใช่ดวงดีเฮงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทำให้ร่ำรวยถ้าอยากร่ำรวยก็ต้องไปหากินให้เก่งๆก็รวย อยากรวยก็มีพุทธเจ้าก็สอนธรรมะสำหรับคนต้องการรวยไว้ให้ขยันท ร, รมาหากินได้เงินมารู้จักรักษาเอาไว้รู้จักเลือกคบคนคบคนบางคนเนี่ยช่วยกันทำมาหากินได้คบบางคนมาชวนเราเสียแล้วก็ดำรงชีวิตไม่เกินฐานะของตัวเองมีรายได้แค่นีนะ้ใช้แค่นี้ เกินตัวก็ไม่รวยหรอกทำไงก็ไม่รวยแม้ถ้าอยากรวยนะก็มีเหตุผลต้องทำสิ่งที่ทำให้รวยหากินให้ถูกเรื่องให้ถูกช่องหากินได้แล้วก็ต้องรู้จักสะสมทรัพย์สินเอาไว้ใช้บางส่วนสะสมบางส่วนรู้จักเลือกคบคนที่ไม่พาเราเสียยิ่งไปคบ คนที่เมาเนะี่ชวนเรากินเหล้าทุก ว, วันเดี๋ยวก็จนจนได้หรือครบครเล่นการนันเดี๋ยวเราไปเล่นกับเขาบ้างเนะ่ยยังไงก็จนก็ต้องรู้จักเลือกคบครัรู้จักการดารงชีวิตที่พอดีพอดีไม่ได้ว่าร่ำรวยแต่ว่าไม่ยอมใช้เงินเลยก็ไม่ถูกทำไมว่านะไม่ใช่ว่ามีเงินน้อยก็จะใช้ให้ยอะเนะถ้าอย่างนั้นชีวิตไม่มีความสุข คนมีหนี้เยอะๆไม่มีความสุขงั้นอยากรวยก็ต้องทําอย่างนี้ที่บอกนี้ไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วรวยนะคนละเรื่องเลยนั่งสมาธิแล้วได้อะไรได้สงบคนละเรื่องกับความรวยนะสงบสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตเรามันมีหลายอย่างอย่างมีเงินมีทองก็เป็นของมีคุณค่าในชีวิตก็ต้องรู้จักวิธีให้มันมีเงินมีทอง มีครอบครัวที่ดีสงบสุขร่มเย็น ใ, ในครอบครัว <Costa> มีความสุขถ้าภาษาจีนต้องบอกอบอุ่นเมืองจีนมันหนาวมีครอบครัวที่อบอุ่นคนไทยเนี่ยต้องครอบครัวต้องร่มเย็นก็ต้องรู้จักว่าทำยังไงจะมีครอบครัวที่ดีได้ต้องรู้วิธีอยากมีเครดิตพูดอะไรแล้วคนเชื่อก็ต้องทาเหตุ เหตุคือเป็นคนมีสัจจะพูดจริงเสมอถ้าเราพูดจริงเสมอนะในสุดเราก็ได้ความเชื่อถือเนี่ยนี่ยทุกอย่างมันมีเหตุหมดเลยนะเคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้านะว่าพราะองค์สอนแต่สิ่งที่มีประโยชน์พระองค์คงไม่รู้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์บอกท่านรูน้นะยกตัวอย่างเธอจงเป็นคนทุศีนนะทําผิดศีลทุกอย่างเลย จงไปรักรอบเป็นชูกับพี่สะพายตนเองอย่างนี้นะเนี่ยแล้วเสร็จแล้วท่านก็บัญญายไปทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วสุดท้ายเธอจะไหยนะ <c oughs> บอกท่านรู้นะไม่ใช่ไม่รู้ <c oughs> ท่านถึงสอนมอว่าชั่วไม่ทำทำดี <c oughs> แล้วสิ่งที่จะให้เป็นคุณค่าในชีวิตเรามันมีหลายอย่าง <c oughs> อย่างการเจริญปัญญาเนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตได้แล้วความทุกข์ทางใจจะไม่มีเนะงินสิ่งที่มีประโยชน์ในชีวิตเรามีตั้งเยอะแยะไม่ใช่ไปไหว้พระทุกวันนะล้วก็ขอไปไหว้พระแล้วขอให้รวยหลวงพ่อเรางงมากเลยพวกเราชอบไปไหว้พระแล้วขอให้รวยบางคนอะไปนะสวดคาถาอาคมด้วยให้รวยเร็วๆแทนที่จะไปขยันทำมามหากินนะ ไปขอรวยกับพระได้ไงพระไม่มีตังค์เ <c oughs> <c oughs> มื่อก่อนนะมีทหารคนหนึ่งนะเป็นพันเอกพันเอกพิเศษไม่ได้เป็นในพลทัตตร์ที่รุ่นเดียวกันเป็นในพลไปหมดละวแกวันหนึ่งก็มีงานพุทธพิเศษพระเครื่องที่วัดสุทัศน์นี่มลหลวงปู่เที่ยงวัด ม, ม่วงชุมที่เมืองกาญนมาด้วย หลวงปู่เที่ยงเนี่ยคนก็ลำรือก็ไปขอพรท่านได้ในทหารนี้ก็เข้าไปกราบหลวงปู่นะพอเสร็จพิธีพุทธาพิเศษแล้วก็ไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ครับผมมาขอขออะไรขอให้ผมได้เป็นในพลทันทีเออโง่อ ย, อย่างนี้แหละถึงไม่ได้เป็นอยากเป็นในพลให้ไปขอเจ้านายดันมาขอกับพระเห็น <c oughs> <c oughs> ไหมมีเหตุเกี่ับผลใช่ไหมมีเหตุเกี่ยวับผลใครเป็นคนให้เราต้อไปพูดกับคนนั้นสิ มาขอกับพระพระจะไปให้ได้ไงให้เป็นในผลไม่ฉลาดชาวพุทธเราดํารงชีวิตจะมีเหตุผลนะเรารู้ว่าอะไรมีคุณค่าในชีวิตเราอะไรจําเป็นอะไรมีคุณค่าเ่ยก็ทําให้ได้สิ่งนั้นมาพรพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ขี้เกียจเป็นฆราวาสไม่ใช่นั่งภาวนาลูกเดียวปล่อยลูกเมียอดอยากไม่ใช่ทิ้งพ่อแม่ไม่ดูแลไม่ใช่นะ ถ้าให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แล้วมันจะทวงการภาวนาไหมไม่ทวงการภาวนานั้นทําไปเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวถ้าเราเห็นแก่ตัวมากๆนะไอ้นอนท์ก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาจะภาวนาอย่างเดียวจะได้มีความสุขเยอะๆนี่ทํำไปด้วยความเห็นแก่ตัวยิ่งภาวนายากใหญ่ไม่ได้กินหรอกงั้นมีหน้าที่เป็นชาวโลกมีหน้าที่ ทำมาหากินทำมาหากินไปมีหน้าที่เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงไปนะมีหน้าที่ทำงานให้บริษัทหรือทำงานให้หน่วยงานของเราก็ทำไปเนะมื่อก่อนรู้จักพี่คนหนึ่งนะมาฟ้องหลวงพ่อว่าหัวหน้ากองเนี่ยใจบาปหยาบช้ามากหลวงพ่อตอนนั้นเสียเขาก็วิ่งมาฟ้องนะว่าเนี่ยหัวหน้ากองใจบาป เรานึนว่าขอรับชันถามว่าเขาอะไรอะ่ะพี่จะเดินจงกรมก็ไม่ใช้ให้ทํางานบอกอ้าก็ถูกแล้วนี่เขาไม่ได้จ้างเธอมาเดินจงกรมนะเขาจ้างเธอมาทํางานเธอมีหน้าที่ทํางานเธอก็ต้องทํางานถ้าเธอเอาเวลาทํางานนะไป ท, ทําธุระส่วนตัวนะเธอโกงนะเธอไม่ซื่อสัตย์แล้วพระเจ้าไม่ได้สอนให้คนไม่ซื่อสัตย์นะ กระทั่งกับภาวนานะยังไม่ซื่อสัตว์เลยล้วจะไปได้มากผลอะไรใช่หไหมไม่สะอาดงั้นเราดํารงชีวิตนะให้ดีมีสติมีปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้ได้ว่าเราได้ทําความดีของเราเต็มที่ยังหรือเราทํางานเนี้ยเราทําเต็มที่ยังทำเต็มที่แล้วเราก็อิ่มใจของเราว่าเราได้สู้สุดริสุดเด็ดแล้วสู้เต็มที่ละ ส่วนผลมันจะออกมาแค่ไหนเราเลือกไม่ได้อย่างเราขยันทำงานเต็มที่แล้วนะบริษัทของเรากำลังเจริญดีๆอยู่ๆเกิดสงครามเนี่ยบริษัทเราถูกลูกระเบิดไปเงี้ยเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยเราก็ยังอิ่มใจนะว่าเราได้ทำงานมาเต็มที่แล้วผลมันเป็นอย่างนี้มันยังห้ามมันไม่ได้ดีกว่าคนที่งอมืองอเท้านะเกิดมาจนแล้วก็อ้างว่าจนเราไม่ต้องทามาหากินก็ยิ่งจนใหญ่ อยากรู้วิธีแก้จนก็ต้องใช้ที่หลวงพ่อบอกนั่นนะคือคาถาแก้จนขยันท ร, รมาหากินรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติเอาไว้รู้จักคบคนรู้จักดํโรงชีวิตพอสมควรเก่ยฐานะตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะอยู่เมืองการมีผู้หญิงกันหนึ่งเขามาดักใส่บาตรเราก็ต้องอู้ยีคนนี้ทำไมศรัทธากล้าแข็งาาวาถวายอะไรมากมาย เดี๋ยวๆตามมาละพเราฉันข้าวเสร็จก็ตามมาถามมาต้องการอะไรขอหวยโอ้หลวงพ่อไม่รู้หวยหรอกถ้ารู้หลวงพ่อจะไปซื้อเองเขาก็นั่งจริง <laughs> ถ้าพานี่รู้พาคงไปซื้อแล้วล่ะนี่คงไม่รู้จริงๆอะ่ะงั้นขอเครื่องลางของขลัง เอาครั้งแบบไหนอ่ะเอาแบบรวยๆอ๋อไม่มีหรอกงั้นขอชายจีวรหน่อยเอาตะไคร์ออกมาขอตัดจีวรหนยบอกไม่ได้มีอยู่พื้นเดียวมีแต่คําว่าไม่ม่ไ ม, ไ ม, ไม่ตลอดเลยนะสุดท้ายเขาถามเอาถ้างั้นมีคาถาไหมที่ท่องแล้วรวยบอกมีว่ามาซิว่ามานิมนต์บอกเลยคาถาหนึ่ง อุทานาสัมปทาจะจดเลยอุทานาสัมปทาถ้าจะขลังคำนี้ขยันหาทรัพย์อย่ามัวรีรอ mm hmm. อารักษสัมปทารู้จักหาอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้จักรักษาไว mm ้ห hmm. ยับล่อยให้ทรัพย์นั้นวอดวายชักหน้าเหี่ยวเหี่ยวไปแล้ว mm hmm. กัญญาณมิตตาการครบหากันนิมิตรสหาย mm hmm. คบเพื่อนดีก็จะสบาย ขอเพื่อนร้ายวุ่นวายตรอมตรมเขีย <c> น <oughs> บอกพอแล้ว <c oughs> ไม่อยากได้คาถาอย่างนี้คาถาอย่างนี้ต้องทำเห็นไหมต้องทําไม่เอาไม่มีเหรอประเภทโอมน้โมน้ำเมี่ง ย, ยงปลาขยั่งมีเงี้ยงนกเงี้ยงหัวโต <c oughs> อย่างนี้นะเ <c oughs> นี่ยท่องท่อแล้วรวยผมไม่มีหรอกมันไม่มีเหตุผลไปนั่งสวดนมน้ำจะไปรวยได้ไงคนละเรื่องกัน หเหตุผลต้องตรงกันเพราะฉเราต้องมีเหตุผลนะจะเชื่ออะไรงมงายพระโพธิสัตว์ไม่ช่วยเราหรอกถ้าเราไม่ช่วยตัวเองพระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองท่านบอกวิธีให้เราเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วหน้าที่เราพัฒนาตัวเองไปชาวพุทธไม่ใช่คนที่อ่อนแอเรียกให้คนอื่นช่วยชาวพุทธเป็นนักต่อสู้ มีสตินะรู้สึกตัวไว้กิเลสเกิดขึ้นรู้ทันศีลก็จะเกิดมีสติไว้จิตหนีไปคิดรู้ทันสมาธิก็จะเกิดมีสติไว้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันปัญญาก็เกิดมีสติไว้จิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้ทันปัญญาก็เกิดนะฝึกไว้มีสติไปเรื่อยสติของวิเศษนะมาเมืองไทย ถ้าได้สติกับบ้านนะก็วิเศษสุดขีดแล้วละ่ะเป็นของที่มีคุณค่ามากเลยเพราะจะสามารถทำให้เราไปช่วยตัวเองได้ทั้งทางโลกในชีวิตในโลกหรือการปฏิบัติธรรมขาดสติก็คือเสียทุกอย่างแล้วงนั้นพวกเราจะได้เปรียบคนที่ไม่เคยฝึกสตินะคนมีสตินะทำงานทำการเลยจะเก่งกว่าคนไม่มีสติ ต่อไปส่งกันบ้านให้คนอยู่วัดก่อนขอให้หลวงพ่อแนะนําสิ่งที่ควรปรับปรุงนะครับเป็นคนคิดเรื่องงานเยอะแล้วก็นั่งสมาธิแล้วมันฟุ้งนะครับเออมันเครียดนะมันเครียดมากๆอยู่ย่าไปนั่งให้มันสงบนะไม่สงบหรอกมันเครียดมากๆก็มันชอบคิดจริงๆก็พามันคิดไปคิดสึว่าเราคิดเรื่องงาน ก็คิดเรื่องงานแต่ใจโลภขึ้นมาใจอยากให้งานดีๆอะไรงี้รู้ทันก็คิดต่อไปอีกคิดเรื่องงานไปคิดไปแล้วเบื่อรู้ทันเราคิดเรื่องงา น, นาาก็คิดไ ป, แ, นะดงงดไปแต่ว่าคิดไปแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้บ่อยๆ อ, อย่างนี้ก็ไปได้นะ น, นี่ไม่ใช่วิธีที่หลวงพ่อสอนเองหลวงพ่อพุธเคยสอนมานะบอกว่ากรรมฐานอย่างนี้เหมาะกับครวา่า ราววะมีเรื่องต้องปวดหัวมากมายท่านบอกว่าจะคิดเรื่องงานก็คิดไปแค่คิดไปเรื่องงานแต่พอคิดแล้วเกิดความรู้สึกให้รู้ทันแค่นี้ก็พัฒนาได้อย่าไปคิดเลยว่าจะไปนั่งให้สงบจะยิ่งเครียดหนักกว่าเก่าอีกนะถ้าดูรู้ทันไปเรื่อยเดี๋ยวใจจะสงบเองนะขอบคุณครับมีแรงขึ้นมาแล้วคะ่ะหลวงพอ่อ ก็พยายามประคองตัวรู้อยู่ค่ะมเมืองตอนก็ต้องประคองไว้ก่อนกลับไปก็ปล่อยให้เขาทํางานนะก็ยังฟุ้งเยอะครับคิดเยอะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ครับเวลาโทรศัพท์เกิดก็รว้เอานะใจเราเงินหญิดเก่งเป็นไหมเป็นครับเออนะมันเงินหญิดเรารู้มันเงินหญิดเรารู้นะครับฝนะึกเรื่อยๆอย่างคนนี้เป็นคนช่างคิด มันอยากคิดเรื่องงานต้อให้มันคิดแต่คิดแล้วความรู้สึกเกิดเราก็รู้อย่างโทสะมันเกิดบ่อยโทสะเกิดบ่อยก็รู้เอาก็จะเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดได้เองรู้สึกไหมมันโกรธได้เองไม่ได้เจตนาจะโกรธมันก็โกรธได้ปวดปวดปวสุดท้ายปัญญามันก็จะฉลาดขึ้นมานะเข้าใจว่าทุกอย่างนี้ไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยใจจะค่อยๆ ค, ค, ค, คลายความยึดถือออกไปอนะ เหมือนได้ยินเสียงหัวใจตัวเอ ง, เองมันตุบตุบมันอย่าให้หยุดนะ <c oughs> ให้มันเต้นไวเราเมื่อคืนนี้รู้สึกเหมือนกับเครียดเกินไปนิดหนึ่งอะค่ะเหมือ น, นกับบังคับตัวเองเอออย่าไปทําอย่างนั้นบังคับตัวเองออกมาเดินดูพระจันทร์สวยออกเมื่อคืนเห็นไหมไม่เห็นได้ยินแต่เสียงครูคระโอ๊ยกลาคืนะพระจันทร์สวยมากเลยสว่าง ปีปีหนึ่งอ่ะมีสวยสองสาวันหนึ่งแล้วเมื่อคืนก็พอเห็นบรรยากาศคือมันเหมือนมันกระทบตาแล้วก็ทำให้นึกถึงคุณยายที่เพิ่งเสียแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ปุ๊บพอฟังพอฟังหลวงพ่อเทศที่เปิดฟังในโทรศัพท์ก็หัวเราะไมนมาแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะทำไมร้องไห้แล้วน้ำตายังไม่หายแล้วยังหัวเราะได้เออดี<ะ>อย่างนี้ส่วมหัวใจเด็ก ใจเป็นธรรมชาติใช่ไหมเด็กๆเนี่ยน้ําตายังเปียกแก้ม้หัวเร้อได้ละเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้แทรกแซงจิตใจจิตใจเศร้าโศกรู้ว่าเศร้าโศกจิตใจขำรู้ว่าขำดูเขาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราต้องทําอะไรที่เพิ่มเติมคะภาวนาต้องสบายๆอย่าไปจริงจังเราขยันนะดูทั้งวันเลยแต่ไม่ได้บังคับตัวเอง เมื่อวานเดินทงกลมแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความตั้งใจแฝงอยู่ค่ะก็เลยพยายามลบทิ้งแล้วก็เดินเดินแล้วเอาเอาความรู้สึกเข้าไปจับค่ะแล้วพอมานั่งพอนั่งหลับตารู้สึกว่าคืออยากสงบแต่ว่าสักพักมันเคลิ้มแล้วโมหะมันแทรกคะ่ะนั่งเนี่ยนะถ้าเราจะเอาจริงเอาจังเนี่ย ถ้ามันไม่หนาวจัดเนียนั่งข้างนอกอะ่ะมันจะไม่เคลิมง่ายถ้านั่งใกล้ที่นอนอะ่มนะมันลําบากนะคือเมื่อตอนบ่ายคือเดิน เ, ออเรารู้สึกเหนื่อยก็นั่งพักผ่อนแลออ้วเหมือนจะให้มันรู้สึกตัวแต่ว่าพ อ, อหลับตาไปสักพักคือแรกๆมันจะรู้สึกตัวแต่สักพักหนึ่งมันก็ถ้ามันเหนื่อยมันก็หลับเลย เนื่ยนักก็พักสก่อนคิวสังสอนค่ะก็เมื่อคืนเมื่อช่วงบ่ายไม่สบายค่ะก็ไปนอนก็นอนนานเลยค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่าวันนี้ก็มึนๆค่ะก็ไม่สบายก็มึนก็ไม่แปลกอะไรนอนมากเกินมึนก็ไม่แปลกอีก้อยามีมีฝนดีปรับตัวได้ละขอบคุณค่ะ น้ำมาส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วโยมถูกเพื่อนร่วมงานที่ตำแหน่งสูงกว่าแล้วก็ใหญ่กว่ากันแกล้งแล้วก็ให้ลายโยมก็เกิดความโกรธรุนแรงมากโทสะรุนแรงจนล้อนออกมาทางบาจา แล้วก็โยมก็ฝืนใจที่จะนั่งสมาธิในรูปแบบทุกวันทั้งที่ไม่อยากทำเลย <Yeah. S 1> แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งขณะที่โยมกำลังนั่งในรูปแบบอยู่มันเกิดตัวรู้ขึ้นมาตัวหนึ่งเห็นเห็นอาการที่เราโกรธเห็น <c oughs> อาการที่เราออกมาทางวาจา <c oughs> แล้วมันก็เกิดความ สลดหดหูใจแล้วก็ละอายแก่ใจตัวเองเ อ, อ, องแล้วก็ทำให้โยมค่อยๆเบาใจลงค น, นี้ถามว่าหายโกรธไหมไม่หายหแต่ว่ารู้ทันอพอรู้ทันมันก็ดับไปค น, นี้โยมปฏิบัติมาเนี่ยปีกว่าแล้วแล้วโยมยังเกิดอาการโกรธอย่างเงี้ยโยมอยากรู้ว่า โยมปฏิบัติแย่ลงหรือว่ายังไงทำไมยังเป็นยู่ไมด้แปลว่าปฏิบัติแย่ลงแต่แปลว่ายังไม่ได้พระอนาคามีถ้ายังไม่ใช่พระอนาคามนะมันก็ยังโกรธอีกแล้วแล้โยมจะต้องที่ที่โยมปฏิบัติดูซื่อๆนะดูซื่อๆไปเลยเราสังเกตเลยความไม่ดีอะไรของเรามีอยู่นะเราเรียนรู้มันไปเรื่อยๆสังเกตดู เพราะที่พระเจ้าสอนเรามากมายเนยเพื่อให้เราเอาชนะกิเลสตัวเองไม่ได้ไปชนะคนอนื <C> e ่นหรอกชนะตัวเองก็คือชนะกิเลสนั่นเองค <C> e ่ะงั้นถ้าในจิตในใจเรามีกิเลสอะไรแฝงอยู่เรารู้ทันไปเรื่อยใจเราก็จะคลายออกคลายออกนะคิดว <C> e ่จะดีขึ้นเรื่อยๆมี<ต>ความสุขขึ้นแ ต, แต่ตอนนี้ใจโยมก็คลายลงจากเดิมเยอะนะคะตอนนี ท, ที่ที่โยมปฏิบัตินี้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วเออถูกเป็นลาดับไปนะ แล้วโยมีอะไรต้องปรับปรุงอีกไหมคะรู้ทันกิเลสไงรู้ทันกิเลสตัวเองนะเวลาที่เรารู้กิเลสตัวเองต้องไม่เข้าข้างมันนะต้องแบบรู้ซื่อๆรู้แบบเป็นกลางจริงๆคนส่วนใหญ่มันดูกิเลสตัวเองไม่ออกเพราะเข้าข้างตัวเองรักตัวเองไปนี่เรานักปฏิบัติอรอกเปลือกตัวเองลอกเปลือกตัวเองมาดูตัวจริงเราก็จะพบตัวจริงนะว่าน่ากลัวกิเลสเยอะ ค่อยๆพอเรารู้ทันไม่กีเล่มก็ค่อยๆหมดไปหมดไปค่ะค่ะกรบบขอบพอคุณค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะเดินจงกรมทุกวันนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ไหลไปคิดเยอะมากๆไม่ห้ามค่ะไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ใช้ได้ค่ะแต่ในชีวิตประจำวันจะรู้สึกว่ายังหลงยาวอยู่เออหลงให้สั้นหลงเท่านั้นแหละค่ะแล้วรู้สึกว่าอย่างถ้าจะเกิดปัญญาเนี่ย นานมากเลยค่ะประมาณเดือนละสองหนก็เยอะแล้วเหรอคะจะปิ๊งขึ้นมาทีหนึ่งว่าแบบไม่ใช่เราหรือวะนานเกิดทีไม่เกิดทุกวันหรอกค่ะไม่ถือว่ายาวไปใช่ไหมคะมันไม่ยาวอะค่ะแล้วเวลาเดินจงกรมเนี่ยทุกวันจะต้องมีเพลงผุดขึ้นมาค่ะแบบร้องเพลงทุกวันคิดก็คิดไปเพลงก็ร้องไปก็ดีมีบุญมีเพลงให้ฟังตอนนี้สมาธิ พอหคะหรือว่าต้องเพิ่มสังเกตไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันกันเห็นไหมว่า hmm. สุขทุกข์ดีชั่วมันก็อยู่ต่างห่างพอนาถูกแล้วล่ะออหลวงพ่อ您好เขาเขาบอกว่าเออคานี้มามาเรียนที่นี่จะรู้แผนที่กรรมภาวนาครับ แล้วแต่เขาบอกว่าคือมีหลายคนกับเขามีเพื่อนหลายคนคือตั้นใจก่อน เ, อเคยตั้นใจเดินพุทธิสัตว์เคอมาที่นี่ฟันธรรมว่าืคทั้งหมดเป็นหลุดพน้น <Okay. S 1> เคยให้ตัวเองพ้นไป <Okay. S 1> แต่เขาเาม่งห ม, ม้งหวัง okay, ว่าอยากจะลืมพุทธิสัตว์<อ>เขาอยากจะขอหลวงพ่อเทศเที่เดินธรรมพุทธิสัตว์ เดินเป็นพระโพธิสัตว์นะต้องมีความอดทนต้องทนความทุกข์ได้เยอะต้องมีใจที่กรุณาเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วเราทนไม่ได้มีสัจจะมีความอดทนพักเพียรเนี่ยเราต้องพัฒนาคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมาโดยเฉพาะคนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยบางคนไม่ได้เป็นโพธิสัตว์จริง บางคนเป็นโพธิสัตว์เพราะอยากใหญ่รู้สึกว่าจะได้ใหญ่มีอํานาจมากมีฤทธิ์มากอะไรเงี้ยถ้าโพธิสัตว์ตัวจริงนะจะเป็นด้วยความกรุณาเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วทนไม่ได้อยากช่วยอะไรเงี้ยเราก็ไปสร้างความดีไว้นะจะเป็นโพธิสัตว์ก็ทําความดีไปความดีมีหลายอย่างนะ ที่สำคัญมากเลยคนที่เป็นโพธิสัตว์มากจะเข้าใจผิดอย่างหนึ่งจะไม่ค่อยอยากหัดเจริญสติกลัวจะหลุดพ้นไม่ต้องกลัวหลุดพ้นหรอกพยายามจะหลุดพ้นมันยังไม่หลุดเลยนะ <c oughs> เป็นโพธิสัตว์เนี่ยวังว่าวันหนึ่งไป <c oughs> เป็นพระพุทธเจ้าได้ไปช่วยสัตว์โลกได้เยอะแยะแต่ถ้าเราเจริญสติไม่เป็นนะ เราจะไปเป็นพุทธเจ้าได้ยังไงงั้นความดีเราก็ทำไปนะการเจริญธรรมะอย่างที่หลวงพ่อสอนก็ต้องทำยิ่งจะทำไปเพื่อไปสอนคนอื่นนะต้องทำให้ดีให้เก่งกว่าคนอื่นด้วยนีบางคนคิดว่าโอ้โหที่สัตว์ไม่ต้องหรอกทำดีไปเรื่อยๆทำดีไปเรื่อยๆมันก็มีแต่บุญอย่างเดียวะจะไปสอนคนให้เขาพ้นทุกข์ก็สอนไม่เป็น พระพุทธเจ้านะไม่ว่าจะกี่องค์กี่องค์ก็สอนธรรมะอันเดียวกันคือสอนธรรมะในเรื่องของความทุกข์เรื่องเหตุของความทุกข์เรื่องความดับทุกข์คือเรื่องนิพพานแล้วิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ทุกองค์สอนเหมือนกันหมดเลยถ้าเราไม่เรียนในสิ่งเหล่านี้เราจะไปเป็นพุทธเจ้าได้ยังไงนะเส้นทางของโพธิสัตว์ท็จยาวไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยเพราะไปไม่ถึงเพราะงั้นจะทําดีอะไรก็ทําไปนะ แต่การภาวนาที่หลวงพ่อสอนเนี่ยตั้งใจปฏิบัติไปเพื่อวันหนึ่งจะต้องไปสอนวิชานี้แหละให้กับสัตว์โลกตอนแต่ก่อนน่าหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะมีพระโพธิสัตว์มาเยอะเลยมาเรียนเรียนแล้วก็เลิกเลิกเลิกเลิกหลังๆไม่ค่อยมีนะพราะเลิกไปหมดแล้วไม่ค่อยมีเพราะอะไรทำไมเลิกไปใจไม่มีมหากรุณาจริง ถ้าใจมีมหากรุณานะมันเลิกไม่ได้มันสงสารสัตว์อื่นคนที่จะมีความกรุณาสูงสูงจริ ง, รงๆในโลกนี้มีน้อยหลวงพ่อเคยเห็นคนหนึ่งจะเป็นตำรวจจราจรเคยเล่าให้ฟังตอนนั้นเขาตัดถนนตรงพระปิ่นเกล้าใหม่ๆทำสะพานพระปิ่นเกล้าใหม่เป็นสีแยกขึ้นมารถตู้ของนักเรียนอนุบาลมันวิ่งตรงนั้นมันไม่ชนานาญทางถนนมันเพิ่งทาใหม่ ชนกับรถอื่นไฟไหม้รถตู้จราจรนั้นอยู่ตรงสี่แยกมันวิ่งฝ่าไฟเข้าไปลากเด็กออกมาทีละคนทีละคนตัวเองนะ่ะถูกไฟลวกเละเทะเลยนะก็วิ่งเข้าไปอีกไม่เลิกหรอกสุดท้ายก็ไม่ได้ยินเสียงเด็กแล้วเงียบหมดแล้วก็คิดว่าหมดแล้วก็ก็อยู่ข้างนอกนะพอไฟดับเนี่ยเจอว่ามีเด็กสองคนติดอยู่ตายอยู่ในรถนะอู้เสียใจมากเลย บอกถ้ารู้ว่ายังมีเด็กอยู่จะวิ่งเข้าไปอีกเน่ใจขนาดนี้พวกเรากล้าไหมกล้าฝ่าไฟเข้าไปช่วยเขาอ่นะเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นง่ายนะไม่ได้เป็นได้ง่ายๆหลวงพ่อเห็นพระโพธิสัตว์หลวงพ่อก็ยกย่องนะท่านทำในสิ่งซึ่งคนสามัญธรรมดาทำไม่ได้แล้วกยกย่อง กราบน้ำมัสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะถ้าเห็นจิตไปคิดแล้วดบับแล้วจิตก็ไปฟังแล้วดบับแล้วจิตก็ไปคิดอีกอย่างนี้เรียกว่าเห็นเกิดดับหรือเปล่าเจ้าค่ะเห็นเห็นเห็นเกิดดบออับคือแบบนี้ใ่หเห็ น, นไหม<ะ>จิตเกิดที่ตาแล้วก็ดบับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดบับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดบับเจ้าคะ่ะ าหว่ท่านถามว่ารู้สึกว่ามีมีกรรมกรรมที่ไม่ดีครอบงำท่านอยู่ให้ทํานไม่สบายเวลากรรมไม่ดีให้ผลนะทําให้เราเจอสิ่งไม่ดีวิธีแก้เนี่ยไม่ใช่ว่าหาทางย้อนอดีตไปแก้กรรมให้เราพยายามทํากรรมใหม่ที่ดีอย่างเราพยายามเจริญเมตตาไว้ ใจสงบใจมีสมาธิขึ้นมาอะไร น, นี้สุขภาพก็จะดีขึ้นได้วิธีแก้กรรมเก่าคือทํากรรมใหม่ที่ดีให้มากๆากนะสัดส่วนของกรรมมันจะเปลี่ยนไปสัดส่วนของกรรมเก่ามันจะน้อยลงสัดส่วนของกรรมที่ดีมันจะเพิ่มขึ้นเหมือนเรามีน้ําสกรปรกอยู่นิดหน่อยนะวิธีแก้เนี่ยไม่ใช่ไปหาทางทําให้หายสกปลกนะเพราะว่าทําไม่ได้กรรมที่ทําไปแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้ แต่เราทำด้วยการเติมน้ำที่สะอาดเข้าไปมากๆากเลยจนสัดส่วนของความสกปรกนะั้นมันหมดไปน้อยลงน้อยลงจนไม่มีความหมายเพนะ้นเวลาที่กรรชั่วให้ผลี่อย่าไปท้อใจอย่าไปคลั่ครวญว่าไม่น่าไปทำเลยในอดีตให้ทำในปัจจุบันให้ดีๆไ้มีสติไ้รู้กายรู้ใจไปจเจริญเมตตาไปนะต้องจเจริญเมตตาหน่อยเพราะใจมันเศร้าหมอง เมตตาตัวไหนบ้างเมตตาตั้งแต่ไอตัวนี้แหละเมตตาตัวเองนี่แหละอย่าไปเกลียดมันนะพอมันทุกข์มากๆมันไม่สบายขึ้นมานะก็ไปเกลียดมันก็ไม่ดีนะมันก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งที่เราต้องเมตตาเหมือนกันนะต่อไปเราก็แผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญให้สัตว์ทั้งหลายนะทั้งที่เราเคยทำร้ายไว้เราไม่เคยทําร้ายไว้เลยนะขอให้เขามีความสุขให้มีส่วนได้รับบุญของเราอะไรทำไปเรื่อยๆ ใจเราก็จะมีพลังมากขึ้นมากขึ้นพอจิตเรามีสมาธิมากขึ้นบางทีก็หายป่วยได้นะท่านถามว่า อ, อ, อยู่รายแพทย์เป็นรักปวดท่านควรทำยังไงสำรวมครับสำรวมไม่ได้แปลว่ามีตาแล้วไม่ดูมีหูแล้วไม่ฟังนะมีใจแล้วไม่คิดอย่างนั้นไม่เรียกว่าสำรวม คำว่าสำรวมนี่คือเราคอยมีสติรู้ทันตัวเองไว้เวลาตาเรามองเห็นอย่างเห็นผู้หญิงสวยๆมาใจมันชอบรู้ว่าใจชอบอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสัมรวมใจมันจะสงบขึ้นมาหูได้ยินเสียงใจเราเป็นยังไงรู้ทันใจไปคิดแล้วใจเรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันมีสติอยู่เรื่อยๆเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะอันนั้นแหละเรียกว่าสัรวม สำรวมไม่ได้แกล้งทำขลุม่มไม่ใช่แกล้งทำแต่ใจมันมีสติคุ้มครองรักษาอยู่ใจก็ไม่ทำผิดกายวาจามันก็ไม่ทำผิดเป็นสำรวมกายวาจาใจทั้งหมดเลยรักษาใจอันเดียวมีสติรักษาใจไปแนละ้วมันสำรวมได้เองแหละท่านถามว่าเวลาดูจิตตัวเองจะรู้สึว่าอกุศลเยอะมากครับถูกถูก ถ้าดูเป็นจะเห็นว่าอากุศลเกิดทั้งบันเลยนะเราก็ไม่ได้ดูเพื่อให้อกุศลหายนะเราก็จะให้เห็นเลยอกุศลมันม า, ากุศลมันไปเราบังคับมันไม่ได้เราเป็นแค่คนดูสบายๆไปแต่พอภานาไปเรื่อยๆนะกุศลมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นอย่างที่เราบอกว่าปฏิบัติแล้วเห็นแต่อกุศละจิตมีแต่อกุศลอันนั้นไม่จริงทันทีที่เรารู้ว่ามีอกุศลขณะนั้นจิตเป็นกุศลแล้ว ทุกคราวที่รู้ว่ามีกิเลสขณะนั้นมีกุศลเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นเห็นกิเลสบ่อยๆนั่นแหละกุศลเกิดบ่อยๆค่ะขอบพ่ะคุณครับในอนค์นี้เขามีคิ้วนะสังเกีนเมแมจะต่าง <laughs> พระไทยแต่ก่อนก็มีคิว้วเพิ่มมาโกนสมัยอายุทยานี่เอง เพราะว่าทางพมา่าส่งพระปลอมเข้ามาส่งจารชนนะปลอมเป็นพระมารพระไทยเลยนัดโกลนหมดเลยพระพมา่ายังยักคิ้วไ ด, ได้รู้ว่ า, วานี่ปลอมพข้ามาเราเลยกลเลี่ยนเลนไปทั้งตัวเลยเนาะคิ้วเขาเอาหมดเวลาแล้วนะเช่น